เจริญพรท่านศาสนิกชนผู้มีจิตฝฟบุญฝ่กุศลทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่19มิถุนายนพุทธศักราช2548เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างเว้นจากภารกิจการงานจึงได้ใช้เวลานี้ให้เกิดคุณเกิดประโยชน์ โดยมาวัดเพื่อมาทำบุญให้ทานมารักษาศีลมาฟังเทศน์ฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมบำเพ็ญจิตตาภาวนาอันเป็นเหตุที่จะนำมาซึ่งความสุขความเจริญความก้าวหน้าต่อชีวิตของพวกเราการทำบุญนั้นเป็นสิ่งที่ดี เพราะว่าทำแล้วจะทำให้จิตใจของเรามีความสุขมีความสดชื่นมีความเบิกบานมีความปิติมีความอิ่มมีความพอมีความภาคภูมิใจการทำบุญนั้นทำได้หลายวิธีด้วยกันแล้วก็เป็นบุญด้วยกันทั้งนั้นมีบางท่านไม่ทราบว่าทำบุญอย่างไหนจะได้บุญมากๆ เพราะนานๆจะได้ทำบุญสักทีจึงถามพระว่าทำบุญชนิดไหนถึงจะได้บุญมากๆถ้าสำหรับผู้ที่ยังมีความ <c oughs> ยังมีความเกี่ยวข้องกับบ้านเรือนกับครอบครัวการทำบุญกับพ่อกับแม่นั่นแหละเป็น การทำบุญที่ได้บุญมากๆทีเดียวเพราะไม่มีใครในโลกนี้ที่มีความสำคัญต่อชีวิตของเราเท่ากับคุณพ่อคุณแม่ของเราถ้าไม่มีคุณพ่อคุณแม่ของเราเราก็ไม่มีโอกาสที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์มีอาการสามสิบองอย่างที่เราเป็นอยู่กันทุกวันนี้ได้ต้องอาศัยพ่อแม่เป็นผู้ให้กำเนิด แล้วยังต้องอาศัยพ่อแม่เป็นผู้เลี้ยงดูเพราะตอนที่เกิดออกมาใหม่ๆย่อมไม่สามารถที่จะเลี้ยงดูตัวเองได้ต้องอาศัยพ่อแม่คอยเลี้ยงดูจนกว่าจะเจริญเติบโตเป็นผู้หลักผู้ใหญ่จนมีความสามารถที่จะเลี้ยงดูตัวเองได้เมื่อตัวเองสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้แล้ว ก็ต้องหันกลับมาดูพ่อแม่เพราะพ่อแม่นั้นอายุก็จะมีมากขึ้นไปเรื่อยๆต่อไปท่านก็จะไม่สามารถที่จะดูแลตัวของท่านเองได้มันก็ต้องเป็นหน้าที่ของเราของลูกๆที่จะต้องเลี้ยงดูพ่อแม่ต่อไปดังนั้นการได้เลี้ยงดูพ่อแม่นั้นทางพระพุทธศาสนาถือว่าได้ทำบุญกับพระอรหันต์เลยทีเดียว เพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าพ่อแม่ของลูกๆนั้นเปรียบเหมือนพระพรหมเปรียบเหมือนพระอาหารหันต์การได้ดูแลอุปถัมภ์ท่านตามกำลังแห่งความสามารถของเราอย่างเต็มที่แล้วนั่นแหละเป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่สำหรับลูกๆได้ทำบุญกับพ่อกับแม่นี่เอง ดังนั้นเราจรึงไม่ควรมองข้ามพระที่ประเสริฐสองรูปที่มีอยู่ในบ้านของเราเวลาเราคิดอยากจะไปหาพระอริยสงฆ์ที่ไหนตามสถานที่ต่างๆในเบื้องต้นเราต้องไม่ลืมพระอริยสงฆ์ที่มีอยู่ในบ้านของเราคือพ่อแม่ของเราดูแลท่านให้ดีเสียก่อนก่อนที่เราจะไปแสวงหา พระอริยสงฆ์ที่อื่นต่อไปเพราะว่าบุญนั้นมันมีหลายระดับด้วยกันบุญที่เกิดจากการเสียสละการรับใช้ผู้อื่นการให้เช่นการดูแลพ่อแม่เราก็เป็นบุญระดับหนึ่งแต่ยังมีบุญที่สูงกว่านั้นที่เราจะต้องแสวงหากันเช่นบุญที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังทำคำสอนของพระพุทธเจ้า ถ้าเราได้พบกับพระอริยสงฆ์ผู้ที่ได้ประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนมีดวงตาเห็นธรรมแล้วการได้ยินได้ฟังธรรมจากท่านนั้นก็จะเป็นคุณเป็นประโยชน์อย่างมากเพราะท่านเป็นผู้ที่รู้จริงเห็นจริงสิ่งที่ท่านสอนก็เป็นความจริงตรงประเด็นไม่อ้อมค้อมทำให้เราไม่ต้องสงสัยทำให้เราไม่ต้องหลงทาง ถ้าผู้ที่สอนนั้นเป็นผู้ที่ไม่รู้จริงเห็นจริงสอนไปตามความคาดคะเนผู้นั้นก็จะไม่สามารถสอนตามความเป็นจริงได้เมื่อไม่สามารถสอนตามความเป็นจริงได้ผู้ฟังก็ไม่สามารถรับประโยชน์จากคําสอนของผู้นั้นได้เหมือนกับคนที่ไม่เคยเดินทางไปสถานที่ใดที่หนึ่งแล้วมีคนมาถามทาง ก็บอกเขาไปโดยที่ตัวเองก็ไม่รู้ว่าสถานที่นั้นอยู่ตรงไหนไปอย่างไรก็พูดไปตามจินตนาการของตนเองถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วผู้ที่ฟังก็จะไม่สามารถเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางที่ต้องการจะไปได้เพราะผู้บอกนั้นไม่รู้จักทางนั่นเองเปรียบเหมือนกับคนตาบอด คนตาบอดจะชี้ทางให้กับคนตาบอดอีกคนหนึ่งได้อย่างไรก็เพราะว่าไม่มีดวงตาที่จะเห็นทางนั่นเองฉันใดการที่สแสวงหาทาบุญกับพระสงฆ์พระอริยสงฆ์ทีป่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี้ก็เป็นสิ่งที่ควรจะกระทาแต่ในเบื้องต้นเราอย่ามองข้ามพระสงฆ์พระอรหันต์ที่อยู่ในบ้านของเราก่อน ปยายามดูแลท่านให้ดีถ้าท่านดูแลตัวท่านได้ก็เราก็ให้ความเคารพกับท่านท่านสั่งสอนท่านพูดอะไรเราก็ควรที่จะน้อมเอาเข้ามากับจิตกับใจถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ไม่ถูกอกถูกใจเราก็อย่าไปเถียงพ่อเถียงแม่ไม่ชอบก็ฟังไว้เฉยๆก็แล้วกันแล้วนำเอาไปพิพจารณาอีกครั้งหนึ่ง ถ้าเห็นว่าสิ่งที่ท่านสอนนั้นไม่ถูกต้องตามหลักธรรมก็เมื่อจําเป็นจะต้องปฏิบัติธรรมตามก็ได้เช่นเรามีสามีหรือมีภรรยาอยู่แล้วแต่พ่อแม่อยากจะให้เราได้คนนั้นคนนี้ใหม่แทนสามีแทนภรรยาที่เรามีอยู่อย่างนี้ถ้าพิจารณาตามหลักธรรมแล้วมันก็ไม่ถูกเพราะมันเป็นผิดศีลกามเมข้อที่สามถ้าเป็นเช่นนั้นเราก็ไม่ต้อง ฟังไม่ต้องปฏิบัติตามสิ่งที่พ่อแม่สั่งสอนให้เราทําเพราะสิ่งที่ท่านสั่งสอนให้เราทํานั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามหลักธรรมนั่นเองแต่สิ่งใดที่ท่านสอนแล้วมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามหลักธรรมเช่นท่านเห็นเราเป็นคนที่ mm. เป็นคนที่เกเรเป็นคนที่ไม่เอาทานไม่ค่อยชอบทํางานทําการชอบแต่เที่ยวเตะ หรือไม่ชอบเรียนหนังสือชอบแต่การเสพสุรายาเมาเล่นการพนันแล้วท่านเตือนเราบอกว่าอย่าไปทำสิ่งเหล่านี้เลยทาไปแล้วมันไม่ดีมันจะทาให้ชีวิตของเรานั้นตกต่าอย่างนี้ถึงแม้เราจะไม่ชอบถ้าเรามาวิเคราะห์แล้วเห็นว่าสิ่งที่ท่านสอนนั้นถูกต้องตามหลักธรรมของที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนมา เราก็ควรที่จะน้อมรับเข้ามาแล้วพยายามประพฤติปฏิบัติตัวเราให้เป็นไปตามที่พ่อแม่อยากจะให้เราปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติได้ก็จะทำให้พ่อแม่มีความสุขการทำให้พ่อแม่มีความสุขนี้แหละก็คือการทำบุญอย่างหนึ่งเหมือนกันดังนั้นจึงไม่ควรที่จะไปมีความรู้สึกเกียดชังโกรธแค้นพ่อแม่ที่มาคอยเตือนเรา เมื่อเรากระทำตัวเราเองไปในทางที่ไม่ดีไม่งามควรจะมีความรู้สึกขอบอกขอบใจที่ท่านยังมีความรักมีความเมตตามีความห่วงใย <Ć. S 1> เห็นเราประพฤติตนเองไปในทางที่เสื่อมเสียก็อยากจะเตือนเราบอกเราเพื่อเราจะได้ไม่หลงทางไม่เห็นผิดเป็นชอบเพราะถ้าไม่เช่นนั้นแล้ว ต่อไปชีวิตของเราก็จะตกต่ำชีวิตของเราก็จะดนเนินไปสู่ความหายณนะนี่คือการแสดงความเคารพความกระตันยูการทำบุญกับคุณพ่อคุณแม่ยิ่งถ้าเราเป็นคนที่ฉลาดก่าคุณพ่อคุณแม่ได้คุณพ่อคุณแม่แล้วเรารู้จักสิ่งที่ดีที่งาม mm hmm. ที่ประเสริฐแล้วเราสามารถถ่ายทอด สอนท่านโดยที่ไม่ได้เป็นการสอนแต่เป็นการเล่าให้ฟังเพราะโดยปกติเป็นลูกนั้นจะสอนพ่อสอนแม่นั้นคงจะต้องรู้จักกาลเทศะถ้าพ่อแม่เห็นว่าเราเป็นคนฉลาดแล้วอยากจะรับคาสอนจากเราอย่างนี้เราก็สอนได้เช่นพระพุทธเจ้าหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันต์ตรัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ระ อ, องค์ก็ได้เสด็จกลับไปเยี่ยมพระราชบิดาในพระมหาราชวังแล้วก็ทรงแสดงธรรมโปรดให้กับพระบิดาและกับบรรดาญาสนิทมิสหายทั้งหลายจนท่านเหล่านั้นได้บรรลุดวงตามีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาเจ้าสุดโททนะได้บรรลุเป็นพระโสดาบันในเบื้องต้นและหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าก็ยัง สเสด็จกลับไปโปรดอยู่เรื่อยๆเป็นระยะระยะจนกระทั่งเจดวันก่อนที่พระราชบิดาจ ะ, สะเสด็จสวรรคตพระพุทธเจ้าก็ทรงสั่งสอนจนพระราชบิดาได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ขึ้นมานี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ตอบแทนให้กับพระบิดาเช่นเดียวกับพระพุทธมารดา พระพุทธเจ้าก็ส่งโปรดพระพุทธมารดาทั้งๆ ท, ที่พระพุทธมารดานั้นก็ได้เสียชีวิตไปแล้วตั้งแต่เจ็ดวันหลังจากที่ได้ประสูติพระพุทธเจ้าคือเจ้าชายสิทธัตถาออกมาพระมารดาก็ถึงแก่กรรมเสด็จสวรรคตไปแต่หลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ตัดสรู้ mm hmm. เห็นธรรมแล้วทรงมีความสามารถที่จะ เล็งจิตเล็งญาณหาที่อยู่ของพระพุทธมารดาได้เมื่อได้เจอพระพุทธมารดาในสวรรค์จึงได้โปรดแสดงธรรมตลอดเวลาสามเดือนหนึ่งพรรษาจนพระพุทธมารดาได้บรรลุเป็นพระโสดาบันเบื้องต้นเป็นพระโสดาบันเป็นพระอริยะสงฆ์เบื้องต้นผู้ที่ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันขึ้นไปแล้ว ย่อมเป็นผู้ที่พ้นจากอบายโดยสิ้นเชิงคือถึงแม้จะมีพบชาติเหลืออยู่อีกพบชาติก็ตามแต่ในพบชาติทั้งเจ็ดพบชาตินั้นจะไม่ต่ำกว่าพบชาติของมนุษย์คือจะไม่ไปเกิดในอบายไม่ว่าจะเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุ ร, รกายหรือไปสู่นรกสำหรับพระอริยบุคคลเบื้องต้นคือพระโสดาบันนั้น ท่านจะไม่ไปเกิดในสถานที่เหล่านั้นอีกต่อไปเพราะท่านเป็นผู้ที่ตั้งมั่นอยู่ในการทําความดีคือทําบุญทําทานด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์คือทําทานทําบุญไม่ได้หวังผลตอบแทนจากผู้รับทําไปเพื่อเป็นการชําระกิเลสตัณหาที่มีอยู่ภายในจิตในใจ ละเว้นจากการกระทำบาปทั้งห้าประการคือฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักทรัพย์ประพฤติผิดอเวณีพูดปดดมดเทศเสพสุรายาเมาสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พระโสดาบันจะไม่แปะต้องจะไม่ละเมิดโดยเด็ดขาดแล้วจะใช้เวลาที่มีอยู่กับการบำเพ็ญจิตภาวนาคือพยายามเจริญจิตให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆ จากขั้นโสดาบันก็จะปฏิบัติขึ้นไปสู่ขั้นสกิทาคามีอนาคามีแล้วในที่สุดก็จะบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ไม่ช้าก็เร็วแต่ไม่เกินเจ็ดชาตินี่คือเป็นฐานะของผู้ที่ได้มีดวงตาเห็นธรรมได้บรรลุเป็นพระโสดาบันนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตอบแทนให้กับทั้งพระราชบิดาและพระราชมารดา พระราชบิดดาก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ลาวารสสุดท้ายก่อนที่จะเสด็จสวรรคตพระพุทธมารดาก็ได้บรรลุเป็นพระสสดาบันเป็นผู้ที่พ้นจากกระบายแล้วนี่คือสิ่งที่ลูกๆสามารถทำตอบแทนให้กับพ่อแม่ได้ถ้าตนเองมีความสามารถและพ่อแม่มีความเลื่อมใสศรัทธาที่จะฟัง สิ่งที่ลูกๆจะบอกจะสอนให้กับพ่อแม่คือโดยสรุปถ้าลูกๆสามารถทำให้พ่อแม่ที่ไม่เคยตั้งอยู่ในการทำบุญทำทานให้เป็นผู้ที่ตั้งมั่นอยู่ในการทำบุญทำทานไดพ้พูดพ่อแม่ที่ไม่เคยตั้งมั่นอยู่กับการละเว้นคือมีศีลห้าครบถ้วนบริบูรณ์ถ้าสามารถทำให้พ่อแม่สอนพ่อแม่ ให้เห็นถึงโทษของการละเมิดศีลทั้งห้าข้อนี้แล้วทำให้ท่านตั้งมั่นอยู่ในศีลทั้งห้าข้อได้และสามารถทาให้ท่านที่ไม่เคยปฏิบัติจิตตะภาวนามาก่อนให้ตั้งมั่นอยู่การปฏิบัติจิตตะภาวนาถ้าทำสิ่งทั้งสามนี้ให้กับพ่อแม่ได้แล้วก็ถือว่าเป็นการทดแทนบุญคุณของพ่อแม่ ได้อย่างครบถ้วนบริบูรณ์นอกจากนั้นแล้วถึงแม้เราจะเลี้ยงดูท่านไปตลอดชีวิตของเราต ล, ตลอดชีวิตของท่านก็ตามบุญคุณที่เราทดแทนให้กับท่านนั้นก็ยังไม่หมดจะหมดก็ต่อเมื่อเราสามารถทําให้ท่านเป็นผู้ที่ตั้งมั่นอยู่ในทานศีลภาวนาให้ได้เท่านั้นน่ะเพราะถ้าท่านได้ตั้งมั่นอยู่ในทางศีลภาวนาแล้วท่านก็จะเป็นผู้ที่ มุ่งไปสู่อริยมรรคอริยผลตามลาดับต่อไปนี่แหละคือการที่เราทำบุญกับพ่อของแม่เราเป็นสิ่งที่เราสามารถทาได้เป็นสิ่งที่เราไม่ควรมองข้ามไปถ้าเราไม่ดูแลพ่อแม่แล้วเวลาที่เราจะไปทำความดีอย่างอื่นเราก็จะมีความรู้สึก ไม่สบายอกสบายใจอยู่นั่นแหละเพราะเรารู้สึกว่าเรามองข้ามอะไรไปเราขาดอะไรไปแต่ถ้าเราได้ทำหน้าที่ที่เราต้องทำกับพ่อแม่ของเราครบถ้วนบริบูรณ์แล้วเราไปเราจะไปทำอะไรต่อไปเราจะไม่มีความรู้สึกตะขิดตะขวงใจจะไม่รู้สึกว่ามีอะไรมาเป็นอุปสรรคขวางกั้นดังนั้น บางขั้นที่สนใจต่อการทำบุญต่อการปฏิบัติธรรมแต่มีหน้าที่ที่ยังต้องดูพ่อแม่อยู่ก็อย่าไปคิดว่าการเลี้ยงดูพ่อแม่นี้เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรมที่สูงขึ้นไปเพราะว่าคนเราแต่ละคนนั้นมีความมีเขาเรียกว่ามีวิบากแตกต่างกันบางคนก็สามารถที่จะออกปฏิบัติไปได้อย่างรวดเร็ว ไม่มีอะไรมาเป็นเครื่องเกี่ยวข้องด้วยเป็นเครื่องเหนี่ยวรางไว้แต่บางคนยังมีภาระมีหน้าที่ที่จะต้องทําอยู่ก็ถือว่าการทําหน้าที่นั่นแหละเช่นดูแลพ่อแม่ของเราว่าเป็นการปฏิบัติธรรมเช่นเดียวกับพระอานนท์พระอานนท์นี่ท่านบวชแล้วท่านก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันแต่ท่านต้องมีหน้าที่ที่จะต้องคอยปฏิบัติ พระพุทธเจ้าอยู่ถึงยี่สิบห้าปีด้วยกันจนกระทั่งพระพุทธเจ้าสเสด็จ ด, ดับขันธ์อรหนิพานไปแล้วท่านจึงมีเวลาที่จะออกปฏิบัติแต่ท่านก็ไม่เสียเวลามากเพียงสามเดือนท่านก็ได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์เช่นเดียวกับพระอริยบุคคลผู้ที่บวชก่อนท่านบวชพร้อมๆกับท่านแต่ได้บรรลุธรรมก่อนท่านเพราะว่าท่านยังต้องติด อยู่กับภาระการดูแลอุปถัมภ์รับใช้พระพุทธเจ้าแต่การอุปถัมภ์รับใช้ของพระพุทธเจ้านี้ก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เสียหายอะไรเพราะเป็นการเสริมบุญบา ร, รมีของตนให้พร้อมที่จะก้าวไปสู่ธรรมที่สูงยิง่งขึ้นไปนั่นเองถ้าเราไม่มีฐานที่ดีเวลาเราสร้างบ้านสร้างตึกสูงสูงตึกสูงสูงนั้นมันก็จะไม่สามารถ ตั้งอยู่ได้ถ้าฐานมันไม่แน่นเดี๋ยวตึกก็ต้องเอียงลรือุดหรือล้มลงมาแน่นอนแต่ถ้าเราสร้างรากฐานของอาคารที่เราจะก่อสร้างขึ้นไปนั้นให้มันมีความแน่นหนามั่นคงสามารถรับน้ําหนักที่จะเกิดขึ้นจากอาคารสูงๆได้เมื่อสร้างตึกสูงๆขึ้นไปแล้วก็จะไม่ซุดก็จะตั้งอยู่อย่างสง่าผ่าเผยชั้นใด การบำเพ็ญธรรมของเราตามขั้นต่างๆก็ต้องเป็นเช่นนั้นเราไม่สามารถที่จะกระโดดข้ามไปได้ตามความต้องการของเราเราต้องบำเพ็ญตั้งแต่ขั้นรากฐานขึ้นไปจนถึงขั้นสูงสุดเช่นขั้นแรกก็คือให้มีความกตัญญูกตวเวทีมีสัมมาคารวะมีการเสียสละเช่นทำบุญทำทานรับใช้ผู้อื่นก่อน ล้วหลังจากนั้นเราค่อยก้าวขึ้นสู่ศีลขึ้นสู่ภาวนาบำเพ็ญสมาธิแล้วดำเพนปัญญาต่อไปนี่เป็นธรรมที่เราสามารถปฏิบัติได้พร้อมๆกันแต่บางอย่างเราต้องปฏิบัติให้ครบบริบูรณ์ก่อนมันถึงจะก้าวสูงขึ้นไปได้ถ้าคิดว่าอยากจะบรรลุทันทีเช่นอยากจะไปฟังเทศน์ฟังธรรมกับพระอริยสง์ เพียงครั้งเดียวแล้วบรรลุได้ถ้าเราได้บำเพ็ญบุญต่างๆมาแล้วในอดีตชาติเช่นเรามีความกตัญญูกตเวทีมีสัมมาคารวะมีจาคะการการเสียสละมีศีลมีสมาธิอยู่ในจิตแล้วถ้าฟังเทศฟังธรรมเพียงครั้งเดียวก็สามารถบรรลุเป็นพระอริยบุคคลได้เช่นเดียวกันกับพระอริยสงฆ์สาวกในอดีต ที่เวลาได้ยินได้ฟังทำคําสอนของพระพุทธเจ้าเพียงครั้งเดียวก็สามารถบรรลุเป็นพระอริยบุคคลขึ้นมาได้เนื่องจากว่าท่านเหล่านั้นได้มีรากฐานที่ดีแล้วท่านท่านได้สร้างบุญสร้างบา ร, รมีมารองรับไว้อยู่แล้วสิ่งที่ท่านขาดก็คือปัญญาคําความรู้แจ้งเห็นจริงตามสภาพความเป็นจริง ที่ท่านยังไม่สามารถที่จะเห็นได้ต้องอาศัยคนที่รู้จริงเห็นจริงอย่างพระพุทธเจ้าตอนที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสรู้ใหม่พอไปโปรดพระปัญจวัคคีย์ทั้งห้าเพียงแสดงธรรมครั้งแรกก็มีหนึ่งในพระปัญจวัคคีย์คือพระอญญาญย์โกนธรรัญะก็ได้บรรลุธรรมมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาเห็นว่า มีทุกสิ่งทุกอย่างที่มีการเกิดขึ้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาคือถ้าพูดตามภาษาชาวบ้านเราก็คือคนเราเกิดมาแล้วก็ต้องตายด้วยกันทุกคนนี่เป็นสิ่งที่พระโสดาบันจะเห็นจะรับได้คือจะไม่มีความสงสัยจะไม่มีความปฏิเสธกับความจริงอันนี้เมื่อยอมรับได้แล้วความหวาดกลัวเกี่ยวกับเรื่องความเป็นความตาย มันก็จะหมดไปเพราะรู้อยู่แก่ใจว่าไม่มีใครที่จะอยู่ไปได้ตลอดนี่เป็นสัจ ธ, ธรรมความจริงของชีวิตท่านเรียกว่าเมื่อเกิดแล้วย่อมมีความตายเป็นธรรมดาไม่มีใครสามารถล่วงพ้นความตายไปได้นี่คือปัญญาที่พระพุทธเจ้าจะทรงสอนให้กับผู้ที่มีจิตใจที่พร้อมที่จะรับสัจธรรมอันนี้ หมายถึงผู้ที่มีทั้งสมาธิมีทั้งศีลมีทั้งจากกะถ้ายังไม่มีแล้วเขาจะไม่สามารถรับสิ่งเหลนี้ได้เพราะถ้ายังไม่มีจากกะก็แสดงว่ายังมีความผูกติดอยู่กับวัตถุเข้าของเงินทองอยู่กับชีวิตของตนเองมากยิ่งกว่าความสุขที่จะเกิดขึ้นจากการปล่อยวางสิ่งต่างๆเราไม่รู้หรอกว่า ความทุกข์ของเรานั้นก็เกิดขึ้นจากการยึดมั่นถือมั่นในวัตถุเข้าของเงินทองในบุคคลต่างๆนั่นเองถ้าเราปล่อยวางได้แล้วเราจะพบกับความสุขที่เราไม่เคยพบมาก่อนเช่นถ้าเราสามารถอ ย, อยู่แบบไม่มีเงินมีทองได้เงินทองก็จะไม่เป็นปัญหากับเราทุกวันนี้เราทุกข์กับอะไรแล้วก็ทุกข์กับเรื่องเองินเรื่องทองนี่แหละหาไม่พอใช้นั่นเอง เมื่อหาไม่พอใช้ก็วุ่นวายใจเพราะเราไม่รู้จักตัดนั่นเองเราไม่รู้จักการลดละการใช้จ่ายเคยใช้จ่ายอย่างไรก็ติดเป็นนิสัยต้องใช้จ่ายอย่างนั้นถึงจะมีความสุขถ้าไม่ได้ใช้จ่ายแล้วก็จะมีความทุกข์ตามมาแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าเราพิจารณาด้วยปัญญาว่าชีวิตของเรานั้นมันก็ไม่จาเป็นจะต้องมีเงินทองมากมายเลย เพียงแต่มีข้าวรับประทานไปวันวันวั น, ว น, วนหนึ่งมีที่หลบแดดหลบฝนมีเสื้อผ้าใส่สักชุดสองชุดมียารักษาโรคไว้ในขณะที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็อยู่กันได้แล้วไม่เห็นจำเป็นจะต้องมีสมบัติเข้าของเงินทองมากมายอย่างที่คนอื่นเขามีกันถ้าเราคิดอย่างนี้ได้แล้วเราก็จะมีจาค้าเกิดขึ้นมาเราจะเสียสละเราจะตัด เรื่องวัตถุเข้าของเงินทองต่างๆได้เมื่อเราตัดได้แล้วเวลาเราจะตายเราก็ไม่รู้สึกเสียดายอะไรสูญเสียอะไรคนที่ตายไม่ลงก็เพราะว่ายังยังมีความยึดติดอยู่กับสิ่งต่างๆนั่นเองแต่คนที่ไม่ยึดไม่ติดแล้วกับเห็นว่าการตายนี่เป็นสิ่งที่สบายกว่าอยู่ไปก็ต้องมีแต่ปัญหาคอยดูรักษาร่างกายของเราไป แต่นี่ไม่ได้หมายความว่าจะฆ่าตัวตายหมายถึงว่าถ้ายังอยู่ก็อยู่ไปอยู่แล้วก็ทำประโยชน์เช่นพระพุทธเจ้าก็ทรงทาประโยชน์ให้กับโลกแต่เมื่อถึงเวลาที่ร่างกายมันจะต้องแตกจะต้องดับไปใจก็พร้อมที่จะปล่อยให้มันเป็นไปตามความเป็นจริงของมันตามธรรมชาติของมันใจจะไม่มีความรู้สึกวิตกจะไม่รู้สึกมีความหวาดกลัว จะไม่มีความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการตายเลยเพราะใจมีจารคะนั่นเองปล่อยวางเป็นปล่อยวางวัตถุเข้าของแล้วก็มาปล่อยวางบุคคลต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวของเราเองร่างกายของเราเองหรือร่างกายของคนอื่นเช่นของพ่อของแม่ของพี่ของน้องของสามีของภรรยาหรือของลูกก็ตาม ล้วนจะต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งสิ้นคือเป็นการกลับคืนสู่ธาตุเดิมเพราะร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเป็นการรวมตัวของธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟที่มาทางอาหารอาหารที่เรารับประทานเข้าไปนี้ก็ล้วนมาจากดินน้ำลมไฟทั้งสิ้นเช่นข้าวก็ต้องปลูกมาจากดินผักก็ต้องปลูกมาจากดิน เมื่อรับประทานเข้าไปแล้วมันก็มากลายเป็นอาการสามสิบสองเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังแล้วมันก็อยู่ต่อไปได้สักระยะเนึ่งจนอายุ 80, 90, แปดสิบเก้าสิบก็ถึงเวลาที่มันจะต้องกลับคืนสู่สภาพเดิมร่างกายก็หยุดทํางานน้ําก็ไหลออกจากร่างกายไฟก็ออกจากร่างกายลมก็แยกออกไปเหลืออยู่แต่ดินในที่สุดก็กลายเป็น ดินไปถ้าเอาไปฝังก็กลายเป็นดินถ้าเอาไปเผาก็กลายเป็นขี้เถ้าไปนี่คือเรื่องของร่างกายของคนเราทุกคนไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนมีแต่ตัวจิตเท่านั้นที่มาหลงยึดมาติดว่าเป็นตัวเป็นตนตจิตของพวกเรากับร่างกายนั้นเป็นคนละสวนกันจิตมาจุติเมื่อมีร่างกายนี้ปรากฏขึ้นในคันของมารดา แล้วก็ยึดติดร่างกายนั้นว่าเป็นตัวเราเป็นของเราแต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่ตัวเราของเราท่านเรียกว่ามันเป็นอนัตตามันไม่ใช่ไม่มีตัวไม่มีตนจิตถ้าได้รับการอบรมสั่งสอนแล้วก็จะเกิดความรู้เกิดความฉลาดขึ้นมาก็สามารถที่จะปล่อยวางร่างกายนี้ได้ยอมรับความจริงอย่างที่พระโสดาบันรับได้ก็คือ เมื่อมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เมื่อจิตรู้ด้วยด้วยปัญญาแล้วจิตก็ปล่อยวางได้จิตก็ไม่มีความเศร้าโศกเสียใจเพราะรู้ว่าไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่เป็นของของเรานั่นเองเ<ๆ>ช่นมีใครเขาให้อะไรเรามาใช้ให้เรามายืมใช้พอถึงเวลาเขาจะมาเอาคืนไป เราก็ไม่รู้สึกเสีย อ, อกเสียใจอะไรเพราะเรารู้อยู่ตั้งแต่เบื้องต้นแล้วว่ามันไม่ใช่เป็นของของเรานั่นเองเช่นใครเอาลูกมาฝากเลี้ยงไว้สักปีสองปีพอถึงเวลาเขาข อ, อาลูกกลับคืนไปเราก็ไม่รู้สึกเสีย อ, อกเสียใจเวลาเขาขอลูกของเขาคืนไปฉันใดลูกของเราก็เป็นอย่างนั้นลูกของเราก็เป็นลูกของดินน้ำลมไฟนั่นเอง ดินน้ําลงไฟนี่แหละคือพ่อแม่ของลูกของเราที่แท้จริงสักวันหนึ่งดินน้ําลงไฟเขาก็จะต้องมาขอเอาลูกของเรากลับไปเราก็อย่าไปร้องห่มร้องไห้ถ้าเรามีปัญญามีธรรมะเราเข้าออเข้าใจในหลักของความเป็นจริงแล้วเราจะไม่รู้สึกเศร้าสศกเสียใจอย่างไรเพราะเรารู้ว่าเขาก็กลับคืนไปสู่เจ้าของเดิมของเขานั่นเอง เราเป็นเพียงแต่ผู้ที่ขอยืมของเหล่านี้มาดูแลรักษาไปวันวันหนึ่งเท่าทนั้นเช่นร่างกายของเราก็ดีร่างกายของพ่อแม่ของเราก็ดีของลูกก็ดีของสามีของภรรยาก็ดีหรือของใครก็ดีก็ล้วนเป็นแนลุกเป็นแบบนี้ด้วยกันทั้งสิน้นถ้าเราศึกษาแล้วพิจารณาอยู่เรื่อยๆแล้วสักวันหนึ่งเราก็จะเห็นไปตามความเป็นจริง เมื่อเห็นจริงแล้วเราก็จะปล่อยวางได้ปล่อยวางแล้วใจของเราก็จะหลุดพน้นจากความทุกข์จากความกมังวลเกี่ยวกับความเป็นความตายทั้งของเราและของผู้อื่นเพราะเรารู้อยู่แก่ใจแล้วว่าไม่มีอะไรที่ตายมันเป็นการแปลงสภาพเท่านั้นเองจากดินมาเป็นร่างกายจากร่างกายก็กลับไปสู่ดินน้ำลงไปต่อไปมันก็มีเพียงเท่านี้ ถ้าเราศึกษาสอนตัวเราอยู่เรื่อ ย, เ, อยเกี่ยวกับความจริงอย่างนี้ไม่ให้มันห่างไกลจากจิตจากใจของเราไม่ให้เราหลงหลืมเวลาที่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมันก็จะทไม่มันก็จะไม่ทำให้เราเกิดความทุกข์เกิดความเศร้าโศกเสียใจ